ในช่วงคุยธรรมะเราก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยที่หลังจากที่ท่านฟังเอ่อพุทธพจนะในที่เราเก็บรวบโดยใน เอ่อเวลาที่เราได้ดึงเนื้อหาออกมาหรือฟื้นกลับไปเพื่อที่จะไปหาต้นตอว่า มีการอธิบายนั้นหมายความว่าอย่างไรเอ่อธรรมะของพระ หน้าที่พฤชาตได้เคยตรัสเอาไว้กับภิกษุทั้งหลายนั้นพูดสั้นๆแค่นี้เองจริงๆแล้วมันเป็นเป็นพระๆมาก นั่นwidetilde ก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นๆมากจิตเราจะน้อมไปด้วย เรเราก็จะนำไปด้วยการอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราจะดีขึ้นไม่ได้กับเพราะสิ่งเช่นพวกติดก็ดึงกันลงไป <นะ, S 1> เราเสพสื่อพวกนี้มากๆเสพสิ่งเหล่านี้มากมีเพื่อนดีๆเราจะน้อมนักเรียนก็ดีๆอย่างนั้นอันนี้อันตราย หรือว่าเรามีความคิดดีๆอ่านแต่สิ่งดีๆรับธรรมะเข้าดูธรรมะไว้นะอ่านหนังสือ ให้กลับกลายเป็นดีขึ้นๆมากจิตจะน้อมไปด้วยกันอย่าง อย่าร้างกันพี่น้องไม่ช่วยเหลือกันคนข้างบ้านก็บวนวุ่นวายไป Like เราเห็นเออธาตุนี้นะอาการอย่างนี้หลายๆคนที่พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ลูกตั้งใจเลยว่าอึชา แต่ว่าแม่ไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้น เป็นลูกข้าราชการใหญ่โตชั้นผู้ใหญ่นะหรือว่าเป็นลูกนายทุนใหญ่นะมีทรัพย์สินสมบัติมากเป็น และแทนที่ตัวเองมีสิวรําดีก็กลับไปคิดไม่ดีอย่างเงี้ยนั้นมัน มามีอำนาจเหนือจิตนะจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างได้เราตกอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เหรอแล้วทําไม ดังนั้นเค้าจับคุณไปอยู่ในคุกแต่เค้าก็บังคับเข้าเอาของหยิบจับสิ่ง มีธาตุอยู่น้ำมีธาตุอยู่ความชั่วมีธาตุอยู่อะไรแต่ก็ๆคนที่ฉลาดที่สุดๆคนโง่ๆ นะว่าไอ้ของโง่ๆงี้ใช่มั้ยทําหรือว่าฉันจะได้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดี เอาเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดตรงนี้ล่ะที่เรียกว่าดีเอาอะไรมาเป็นเครื่องมาตรงนี้และสิ่งดีที่ 3 อย่างๆจําได้ได้ด้วยนั้นอันแรกคือความคิดที่ไม่ นะทำกิจกรรมอะไรที่มันจะเป็นการจิตอาสาบ้าง 2 คือ นะไม่ 3 คือความ 3 อย่างนี้นี้ความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางเบียดเบียนและ 3 อย่างเนี้ยจะเป็นตัวที่ถ้า นั่นความดำริชอบสมาสังกัปปะนั่นก็คือพยาบาทความคิดในทางไม่เบียดเบียนเนี่ยท่านพิจารณาไตรตรองไคลครวนตรีตรึกใน 3 อย่างนี้ในสิ่งที่มันจะละ 3 อย่าง มันจะล่าไปโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเรามาพิจารณาตริตรึก คุณเห็นคนอื่นทําชั่วคุณจะไปด่าเขาคุณจะไปว่าเขาโอ๊ยอย่าทําเลยด่าว่าไม่ดีกันๆทําสิ่ง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 มีความคิดในทางที่จะเป็นความคิดที่ดีๆนะไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่พยาบาทไม่มุ่งร้ายเนี่ยเอ่อการตอบๆดีขึ้นหมายความว่าไงจริงๆบ้านเนี่ย แต่แต่ว่าคนอื่นๆที่เขาดีเนี่ยเค้าก็จะเห็นแล้วเค้าๆดึงดูดกัน เลือกที่จะคิดยังไงเลือกที่จะตระหนักตรึกยังไงอันนี้สําคัญมากนะให้เราเลือกๆแต่พอเราคิดดีในลักษณะนี้แล้วแต่ เอ่อตรงเช่นกันแบบนี้ก็ให้ 106 แต่วันนี้เวลา